อย่างเรามีสตินะถ้าเวลามีความสุขเราก็จะเห็นเลยความสุขเดี๋ยวก็หายไปล้วมีความทุกข์นะความทุกข์เดี๋ยวก็หายไปแล้วเราไปดูไปชีวิตเราก็ผ่านความสุขความทุกข์มาเยอะแล้วใช่ไหมความสุขที่สุดเลยเดี๋ยวก็ไปแล้วทุกข์ที่สุดเลยก็ไปล้วพระพุทธเจ้าถีงฉลาดไม่สอนให้เรานั่งแก้ความทุกข์หรอกไม่ได้สอนให้ดับทุกข์นะที่ดับมันทําไมหมดเห็นมันก็ดับของมันเองนะ่ย ไม่ต้องทำอะไรมันก็ดับหน้าที่เราคอยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะรู้เลยสุขก็ดับทุกข์ก็ดับเพราะฉะนั้นเวลาความสุขมาเราก็ไม่หลงระเริงความทุกข์มาเราก็ไม่ข้ามข่วนย่ำแย่แล้วชีวิตนี้ในใจก็เข้าไปฝึกความเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะเป็นกลางตอบสังขารความปรุงแต่งทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วด้วยความเท่าเทียมกัน ใจจะค่อยๆไปสุขกว่าเป็นกลางเมืใจเป็นอยู่กว่าความเป็นกลางนี่นะอะไรมากระทบเนี่ใจจะไม่ใส่ไม่เกิดพฤติกรรมที่แอบไปชอบอันนี้แอบไปเกลียดอันนี้แอบไปรักความสุขแอบไปเกลียดความทุกข์แอบไปรักความดีเกลียดความชั่วใจจะเป็นกลางถ้าเป็นกลางแล้วก็รู้อยู่แต่แท้จริงนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยธรรมะจริงๆจะพุ่ขึ้นมา ตรงความเป็นกลางเนี่ยตำราเขาเรียกว่าสังข า, ขารู้เบกขาเพื่อจะรู้จักอริยสัจจะเริ่มรู้จักอริยสัจ ต, ตรงนี้เองคืจะเห็นเลยว่าสิ่งทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั้นยังไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกแต่เมื่อไรเราไม่เป็นกลางนะเราหลงยินดีหลงยินร้ายเราจะทุกข์ยินดีก็ทุกข์นะหลงยินดีก็ทุกข์เพราะว่า ปรเดี๋ยวหนึ่งความสุขของเราก็หายไปแล้วหน้าทีก็แค่นั้นเองนะหน้าทีรู้ทันฟังง่ายยากตอนนี้ฟังมาหลายทีแล้วง่ายแล้วเนาะครจะมีส้าบ้โอ้ยฟังใหม่ๆปดวดหัวทุกคนหนละ เพราะเราเคยชินแต่ว่ามีความทุกข์แล้วปฏิบัติแก้ความทุกข์มีกิเลสแก้กิเลสเราไม่ได้ฝึกให้มันเป็นกลางน้อยนะคือจะสอนอย่างงี้ว่าเป็นกลางาแต่ปฏิบัติอะไรไม่เป็นดีหรอกอะไรนะครับเจะสอนให้ดูแบบเป็นกลา ง, าง <c oughs> แต่จะบอกว่ามีความทุกขางก็ต้องแก้ทุกต์กลาง <c oughs> มีกิเลสก็ต้องแก้กิเลสก็เป็นแล้ว ร, รจริงๆเราจ ะ, จะเจริญสติเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะตัวนึ่งมีสติปัฏฐานนมีเครื่องระลึกเครื่องอยู่ประจำเอาร่างกา ย, ร, กกายรู้กายเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกนั่งยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ได้นะ หรือจะเอาเวทนาดูความสุขความทุกข์ที่เกิดดับเกิดดับก็ได้ดูกุศลน่ะกุศลที่เกิดดับก็ได้นะดูอะไรก็ได้เรื่องมีสติปัฏ ฐ, ฐานนะเรามีวิปัสนาวิปัสนาคือการที่เราเข้ารู้ตามที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแสงนะในที่สุดจะเกิดญาณที่มนมาจะรู้ว่ามีความอย่างรู้ว่ า, วาสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับนะ อะไรเกิดก็ดับและตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งเเรียกต้องมีวิสุทธ์หรือตัววิสุทธ์ตัวนี้ยคืออย่าปฏิบัติอย่าจเจริญสติปัฏฐานโดยถูกย้อมถูกมอมเมาด้วยตัณหาและทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นะเราจะถูกย้อมด้วยตัณหากับทิฏฐิเสมอฟุ้งซ่านเกิดขึ้นฟุ้งซ่านไม่ดีนี่ทิฏฐินะ มีความเห็นแล้วว่าฟุ้งซ่านไม่ดีนี่ให้ราคามแล้วไอ้นี่เป็นสิ่งไม่ดีมีปีติสุขนี่ให้ค่าแล้วไอ้นี่ดีเนี่ยนี่คือความเห็นเนี่ยทําให้เราไม่เป็นกลางอีกอย่างหนึ่งก็คือความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากรู้ธรรมะ อยากเห็นเออเขาดูจิตกันเขารู้เจริญสติเขารู้อะไรนะผาอยา่างอยากรู้กับเขาบ้างแทนที่จะรู้ทันตัวเองนะกลายเป็นนั่นอยา่างอย่ากของเฉยๆนั้นกานเจริญสติจริงๆต้องรู้ทันตรงเนี้ยเป็นในพลาดตรงจุดนี้จะสอนกันอา้าวทาความสงบไม่รู้ทําไปถึงไหน กี่ปีก็เอาสงบไหมถ้าสงบได้ที่มินิมิตอะไรบ้างเนอะคุยเรื่องนั้นต่อละถามว่านิมิต ท, ที่ใจไปเห็นนะกับนิมิตคือสิ่งที่ตาเอาเห็นมันก็เหมือนกันแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนเหมือนกัน าตาเราเป็นมองเห็นเรายินดียินร้ายใจเราไปเห็นเข้าใจก็ยินดียินร้ายใจไปเห็นผีโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งว้นใครอยากขคแยงกลัวไะเกิดความกลัวเรารู้ว่ากลัวอย่างนี้ใช้ได้ตาเราไปเห็นหมาบ้าวิ่งเข้ามาเรากลัวรู้ว่ากลัวนี้ใช้ได้เห็น ไ, ไหมสิ่งที่เห็นจะภายในจะภายนอกก็มีค่าเท่าเท่ากันคือมันเป็นสิ่งที่มายั่ว ให้จิตใจเราเกิดสติกริยาให้มหมดนั่นที่เรารู้ทันรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรานั่งคิดเอาเราก็จะไม่รู้ทันหรือนั่งจ้องเอาไว้นะนั่งเเข่งก็ไม่รู้ทันอย่างเคยเล่าให้ติดฟังมีเศรษฐีคนหนึ่งบอกจะมีเงินหลายล้านเป็นเจ้าของโรงงานไปเล่าที่วัดผมเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ เจ้าระเบียบเวลาเดินเข้าบริษัทตอนช้าๆาร้ลูกน้องสั่นเลยยังไม่ทันความทาความผิดก็สั่นแล้วกลัวผมนี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมาหน้าตาของผมมากขึ้นมากขึ้นผมรู้สึกต้องแก้ไขนะั้นผมรู้สึกต้องแก้ไขแรกเลยมีผมขึ้นมาก่อนแล้วนะคิดว่ามีตัวตนจริงๆแล้วแล้วยังมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขวิธีแก้ไขก็คือไปจ้างคนมาดา่า เงินเยอะนี่แจ้างเขามาด่านี่ด่าด่าตงด่ า, า, าสองชั่วโมงผมไม่โกรดเลยผมเั้าดูอยู่ <S <S ตอนนั้นถ้าตตีนั่งฟังอยู่ดยอาตีไปด่าแก ไ, ไอ้บ้าไอ้โง่แกโกรดแน่ๆเพ้าแกไม่ได้เพ่งไว้ตอนที่ไปจ้างเขามาด่านี่นั่งจ้องไว้ใจมันถูกจ้องมันไม่กล้าขยับไปเลื่อ น, นก็ไม่โกรดสิแต่ถ้าไม่ได้คอยจ้องไว้แล้วก็โก นี่การปฏิบัตินนะไม่ใช่นั่งจ้องนะนั่งจ้องทั้งวันไม่ได้หรอกเพราะงั้นเราปล่อยให้จิตใจมันเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเรากระทบกรรับรสกายเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจเราคิดโน่นคิดนี่หน้าที่ของเรามีอันเดียวคือเข้าทานปฏิกิริยาของใจเอง เห็นลูกของเราเราดีใจเห็นศัตรูเราเราเกลียดเนี่ยเราเฝ้ารู้ตรงนี้เห็นเด็กสองคนเดินมาคนหนึ่งลูกเราเราชอบนะ เ, นเด็กอีกคนเราเฉยๆเนี่ยไม่เท่ากันเห็นอาหารสองอย่างอาหารนี้ชอบจิตินดีอาหารนี้ไม่ชอบจิตินร้ายนะการที่เราจะรู้เท่าทันจิตตัวเองนี่ทุกคนรู้ได้ตามธรรมชาติอยู่แล้ว ถ้าถามว่ารู้จักอารมณ์ทั้งหลายไม่รู้ทุกคนอ่ะโกรธเป็นไหมก็เป็นใช่ไหมเกลียดเป็นไหมอิจฉาเป็นไหมเนือผู้ชายอิจฉาเป็นไหมเป็นเนาะธรรมชาติเนี่ยกลับใครใครก็รู้อารมณ์แต่ละชนิดรักก็เป็นใตรก็เป็นนโลภก็เป็นเบื่อก็เป็นเซ็งก็เป็นปวดหัวก็เป็นเป็นทั้งนั้นอ่ะ หน้าที่ของเรานะก็คือขณะ น, นี้จิตใจเราเป็นยังไงรู้ทันลงไปว่าเป็นอย่างนั้นรู้ทันไปเลยได้มันได้ยินเรื่องนี้แล้วเบื่อซ้ำซาอย่างไปได้ยินคนเฒ่าคนแก่ชอบเล่าเรื่อง้ำๆำอ่ะนะลูกหลานจะเบื่อเรื่องนี้ฟังมาห้าร้อยครั้งแะอาจจะไม่ถึง อ, อาจจะแค่สี่ร้อยเก้าสิบเก้างโอ้ยเล่าซ้ำๆเบื่อ หน้าที่คือรู้ทันรู้ทันรู้ทันเบือ่อรั่วเบือ่อ ท, ทุกคนรู้ได้อยู่แล้วเด็ดลอยรู้ไหมเด็ดลอยเนี่ยดูออกหรือยังนะเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยหัดแค่นี้เองนะง่ายสุดจีบแค่นี้เอง ส่วนมากเราจะไปคิดว่าการปฏิบัติต้องทําอันโน้นต้องทําอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทำํำแต่ต้องรู้ทานลงไปรู้ทานลงไปขนาดนี้เป็นยังไงรู้ลงไปเลยผมช่วยไอเสนยงใช่ไหมนะครับพราไม่มันเป็นกับเกี่ยวกับเราคุ้มคางลยเสียงในใจหรือเปล่เาเสียงข้างนอกไม่เกี่ยวแต่ว่าพอมันกระทบแล้วเราคุ้มต้านได้ เสียงบางเสียงเนี่ยเรากระทบนะแล้วเราดีใจใช่ไหมเสียงบางเสียงกระทบเราหงุดหงิดใช่เออหงุดหงิดเรารู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วอยากหายหงุดหงิดไหมก็มันอย่างว่ามองหาอมองหาเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ว่ามันเสียงอะไรมั น, นงงจริงแค่ไหนอยู่ตรงไหนอไหนนะไรอย่งเงี้ยถ้างั้นนะรู้ว่าอยากเลย นรู้ทันใจของเราเองเสียงมันกระทบแล้วใจอยากรู้ใจไม่กลัวนะไม่กลัวไม่เป็นไรไงถ้ากลัวรู้ว่ากลัวไม่กลัวก็ไม่กลัวไม่กลัวก็รู้ว่าไม่กลัวแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเสียงอะไรอยากรู้อะเนี่เวลาเสียงมันกระทบแล้วอยากรู้เนี่ยนะให้รู้ที่ความอยากอยากรู้อะแต่รู้รู้ว่ามัาจากตรงนั้นแต่อยากรู้ว่าสามสีห้าคนนี้มันคนไหนแบบนี้อยากรู้เนี่ยนะรู้ว่าอยากรู้ การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการที่รู้ตัวเองไม่ใช่รู้คนอื่นไม่ใช่รู้คนนี้คนนี้คนนี้แต่ว่าเป็นการรู้คนตัวเองใจอยากรู้รู้ว่าอยากรู้เข้ารู้ลงไปถ้าอยากรู้แล้วใจจะเริ่มดิ้นนนน่ะมันเริ่มดิ้นไปดิ้นมามันจะเริ่มไปสอดส่องคนอื่นละแม่จิตสโอกเนาะ ไอ้ศาสตร์สองคนอื่นนะโดยที่เราไม่รู้ทันว่าจิตกําลังวิ่งไปที่เคขาละเดวเองเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไม จ, อจอ่อจดมองมันเลยเลแป๊บเดียวรู้ว่าแป๊บเดียวเนะี่ยหัดรู้ทันตัวเองไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นรู้ทันอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันตัวเองนะรู้ทันใจเราเองคุณ ด, ดูหนึ่งสอนมาให้ดูจิตตัวเองอะไรเกิดขึ้นดูจิตตาเห็นรูปดูจิตหูได้ยินเสียงดูจิต จะมูงได้กลิ่นนิ่ได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกดูจิตตวเองหลักปฏิบัติแค่นี้เองพอดูแล้วเราจะรู้ได้ไหมดูเป็นไหมทุกคนดูเป็นอยู่แล้วเนยังถามเมื่อกี้กรัเป็นไหมเป็นเกลียดเป็นไหมรักเป็นเป็นทั้งนั้นน่ะรู้จักอยู่แล้วเนี่ยเพียแต่ไม่ดูเป็นต้นวาดอย่างนมนมเนี่ยเช้า ว, วันจันทร์ตื่นขึ้นมาขี้เกียจเช้า ว, วันศุกร์ตื่นขึ้นมานะ่สดชื่น ไม่เหมือนกันทุกคนรู้ได้ก็ตื่นมาวันสุกเดี๋ยวจะได้หยุดงานแนละ้วแต่แทนที่จะรู้ว่ากําลังสดชื่นอยู่นะแต่ก็เริ่มคิดว่าเย็นนี้จะไปนัดไข่เจียวไหนดีแฟนๆหนักคนละทิ้งปัจจุบันเมบางกีก็หนีอดีตไปคิดเรื่องอดีตเราทิ้งปัจจุบันถ้าเรารู้อยู่ในปัจจุบันเนีทุกคนรู้ได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยรู้ได้อยู่แล้ว แต่ว่าเราไม่เอามันเราไม่เอาปัจจุบันเราจะเอาอาดีตอนาคตเราไม่เอาที่จะเรียนรู้เรื่องเยงเราอยากรู้เรื่องคนอื่นถามว่าจะรู้ได้ไหมรู้ได้รูไ้ได้ทุกคนอยู่แล้วล่ะอ น, นี้เสียงเปิ่งแรกเนี้ยจิตใครไหวบ้างไหมมันไหวไหมบางคนไหวบางคนไม่ไหวนีอย่างนี้ไม่ไม่ไหวเพราะว่าไม่ใส่ใจมัน กำลังคิดเรื่องเงินอยู่ปั้งก็ปั้งไปนี่ไหวเพราะว่าไม่ทันระวงังต้องให้มันตกใจม้ความไหวตรงนี้ใครๆก็รู้จักไม่เข้ารู้ลงไปอะไรเกิดคิดรู้ลงไปง่ายขนาด น, นั้นแต่ไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอาไม่ได้บังคับไม่ได้แก้ไข และปฏิบัติจริงๆก็มีแค่นี้นะมีสติะระลึกรู้แต่ภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงนี่คีเวิร์ตประโยคหลักๆเนี่ยมีสี่ตัวนี้นะี่มีสติะระลึกรู้ะระลึก ร, ร, กรู้ไม่ใช่เพ่งไม่ใช่คิดนะแต่เป็นการรู้ตามที่มันกาลังเป็นะระลึกรู้ยุงกัดเจ็บรู้ว่าเจ็บยุงกัดแ ล, ลด้วปดรู้ว่าปวดไม่รู้ทัน ไม่ได้บังคับตัวเองอะไรเลยนี่คือการรู้แล้วรู้รู้อะไรรู้สภาพของธรรมะเช่นความเจ็บหรือความสุขความทุกข์กุศลนักกุศลนะหรื อ, อยืนเดิน น, นั่งนอนอะไรเงี้ยรู้ไปหายใจเข้าหายใจออกพุ่งแขนเหยียดแข น, แขนรู้ไปรู้ตัวไปเรื่อยรู้กายรู้จิตนั่นแหละเยนะไม่ใช่ไปรู้ความคิดตัวเองนะ นั่งคิดเรื่องนี้คิดไปเรื่อยๆแล้ว ร, รู้ความคิดเงไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ใช่กันรู้สภาพธรรมรู้สภาพธรรมต้องรู้รูปธรรมนามธรรมจริงๆรู้กายรู้จิตของเราจริงๆไม่ใช่รู้ความคิดนะที่กำลังปรากฏบอกมีสตรริระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏันปัจจุบัน ตื่นช้าวันสุกสดชื่อรู้ว่ากําลังสดชื่อพอปัจจุบันรู้ปัจจุบันไม่ใช่พอสดชื่อเราก็ไม่รู้มันหนีไปคิดว่าเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนนี่เอาปัจจุบันนี่คือหัวใจของการตรีบาตรอีกข้อหนึ่งมีสติระลึกรู้สภาพธรรมะทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่กําลังปรากฏนะตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงด้วยนะคือไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปดัดแปลง ฟุ้านรู้ว่าฟุ้งซ่านสดชื่นก็รู้ว่าสดชื่นไม่ต้องไปรักษา ม, มันมีความทุกข์รู้ว่าทุกข์ไม่ต้องเป็นดับมัน <c oughs> นี่เรียกว่ารู้แต่พอเป็นจริงสติทําได้ในสี่หลักนี้นะไม่พลาดหรอกแต่ถ้าหลักใดหลักหนึ่งเคลื่อนไปนะต้องพลาดแลแ้วแทนที่จะมีสติก็นั่งเพ่งออกพลาดละ ถ้าไม่รู้สภาพธรรมเปนั่งคิดอะไรเรื่อยุธรรมะเป็นอย่างงี้บทนี้ว่าอย่างงี้นี่ไม่รู้ธรรมานะนั่งคิดเอาไม่รู้สภาพรูปประธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงเนะี่ยเป็นปัจจุบันเนยครับเมื่อวานตรดครับมีใช้ไม่ได้ <c oughs> บางคนตอนตรวจเคยตรวจเพื่อนไหมแล้วว่าพอผ่านมาแล้วนะสักวันสองวันแล้วเสียใจอ ย, อย่างเงี้ย ตอนโกรธนะไม่รู้ทันว่าโกรธ ต, ตอนเสียใจไม่รู้ทันว่าเสียใจตอนโรกรธเขาไปว่าว่าว่าเขาพ็าหายโกรธแล้วเสียใจนะก็ไปคิดถึงโอ้เมื่อวานไม่น่าไปว่าเขาเลยใ น, นป้ายอดีตแล้วไม่รู้ว่ากับนังโกรธจับหลักสีข้อให้ได้เนี่ยไลาด เราดูแลเราดูตามที่มันเป็นนะเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วธรรมชาติเป็นยังไงเราจะเข้าใจธรรมชาติอย่างน้อยในสามดเมนชั่นอันหนึ่งธรรมชาติขั้งหลายเนี่ยที่ปรากฏขึ้นมามีแค่รูปกระนาำไม่มีตัวตนไม่มีศาสตร์ไม่มีบุคคลเราเขาเีนะ่ยธรรมชาติข้อที่สองก็คือสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกขเว็ น, นัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปอย่างที่อยาก อันที่สามจะรู้อริยสัจคือลำพังสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นนะเรายังไม่ทุกข์หรอกถ้าอยากถ้ายึดเ ม, มื่อไรจะทุกข์ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้นละ้วความหลงอยากหลงยึดนั้นนะจะหายไปความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพรางั้นสรุปเลยท่านเจ้าสอนว่าเป้าหมายของเราคือทําไงเราจะไม่ทุกข์ท่านชี้ต่อมาว่าความทุกข์เกิดจากใจเราอยากใจเรายึด ใจเราทำไมถึงอยากถึงเยอะเพราะใจเราไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติเช่นเราคิดว่าบ้านนี้ของเราร่างกายนี้ของเราจะต้องอยู่นานๆต้องไม่เจ็บป่วยเราไม่รู้ธรรมชาติเราไม่ยอมรับธรรมชาติว่ามันจะต้องป่วยบ้านมันจะต้องพังชีวิตจะต้องเผชิญกับปัญหาเผชิญกับสุขบ้างทุกข์บ้าง เราจะต้องสัมผัสกับอารมณ์ที่ดีบ้างอารมณ์ที่ไม่ดีบ้างธรรมชาติทั้งนั้นเลยเพราะนั้นพอเราไม่รู้ทันพอกระทบเข้ามาเราก็หลงยินดียินร้ายหลงอยากหลงยึดแล้วเราก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นอีกเพราะว่าเราไปอยากในสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายเลยเทีย่ยงฝนฝนแรงอยากให้ฝนตก เคยเป็นไหมฝนฝนไม่ตกเลยร้อนอยากให้ฝนตกความอยากให้ฝนตกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะอย่างเนี้มันเป็นเรื่องไร้ดิ่งสาเราอยากแล้วฝนจะตกไหมฝนไม่ตกฝนตกก็มีเหตุให้ตกนะครับเพราะฉะนั้นในหลวงนิชลาต้องการให้ฝนตกก็ไปทําฝนเทียมทําเหตุให้ฝนตกไม่ใช่อยากถ้าอยากแล้วไม่ตกหรอก เนี้แต่รู้ธรรมชาติทั้งหลายเกิดเหตุผนะันแปรไปตามเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับจะรู้ข้อเท็จจริงตัวนี้แล้วก็จะไม่หลงอยากแบบไร้เดียงสาอยากแบบไร้เยื่สาเนี่มันไม่สมอยากหรอกมันต้องปุ๊บแ น, น่ๆเนะ่ยนะอยากไม่แก่นะตอนเด็กๆกะีิยนึกสภาพตอนเราเด็กๆเกนะเย้ออยากสาวเร็วๆหรืออยากเป็นหนุ่มเร็วๆใช่ไหย พอเป็นหนุม่มเร็วเนี้ยเราลืมไปอย่างว่ายิ่งหนุม่มเร็วยิ่งแก่เร็วยิ่งสาวเร็วยิ่งแก่เร็ว <c oughs> <c oughs> คือเราจะเอาข้างหนึ่งเราไม่เอาอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ธรรมชาติว่ามันมีขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีมันมีขึ้นมาเพราะมันมีเหตุต่อไปมันจะต้องตายเพราะมันเหตุที่ทำให้มีชีวิตอยู่มันหมดไปแล้วร่างกายมันต้องแตกหลัแบบ แต่ไม่ใช่อยากๆเล่นๆ ล, ล, ลอยๆนักจิตวิยาจะรู้ลเลยมนุษย์ที่มีความแัดแย้งในตัวเองมากมายเช่นอยากให้สังคมยอมรับในขณะเดียวกันที่อยากเป็นตัวของตัวเองอยากให้สังคมยอมรับต้องไปยุ่งกับสังคมอะ่ะแล้วมันจะเป็นตัวของตัวเองได้ไง เนี่ยมันจะมีความอยากที่ไร้เทียมทาอย่างนี้ยเยอะแล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความอยากที่ไร้เทียมทานแต่ถ้าเราเฝ้าสังเกตนะเ้าสังเกตจะรู้ว่าธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงความอยากที่ไร้เทียมทานก็จะหายไปเห็นเมื่อเร า, าเผชิญกับความสุขเราก็ไม่หลงหเแชิญกับความทุกข์เราก็ไม่ทรํานเป็นกลางใจเป็นกลางเข้าไปปูกความเป็นกลางพระพุทธเจ้าสอนเรา นะจนบอกเราเข้าถึงความเป็นกลางตับสังขารทั้งบวงความปรุงแต่งทั้งบ่วงฝึกไปเรื่อยๆหลวงปู่เทพสอนบอกว่าผู้ใ ด, ดเข้าถึงความเป็นกลางผู้นั้นจะค้นจกักทุกข์ทั้งปวงนะสอนเหมือนกันอนะคนเราพัสสาวนี่คือคําตอบหมอสีโพว่าทําไมเราต้องเจริญสติเราเจริญสติเพื่อเราจะรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงนะ มันจะมีชีย์วัตถุกลุ่มหนึ่งบอกว่าเขารู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดก็คลายกำหนัดจึงหลุดพ้นก็หลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วงั้นหน้าที่เราทํายังไงเราจะเห็นตามความเป็นจริงเราก็เขารู้ตามที่มันกําลังเป็นจริงจริงสิง่ายนิดเดียวเลยเห็นไหมอยากเห็นตามความเป็นจริงนั่งงอกเง๊กงอกเง๊กเห็นนิมิตเอามันจริงจริงอะไรนักหนาเออ ทุกคนละเรื่องเลยเข้าใจยัง <c oughs> อยากเห็นตามความเป็นจริงเพื่อจะเบื่อนายใครําหนัดแล้วหลุดโพ้นเนี่ยก็ต้องดูของจริงๆที่กำลังเกิดขึ้นมาไม่ใช่ไปนั่งฝัน น, นร่ า, า, กกปนะาไปช่วยเเ้าาบบือนะ <c oughs> นะคมลมแรง วุ่นน่าเกลียดจรงอยเมื่อไหร่จะตายตายสักทีเนี่ยไปช่วยเขาเบื่อแล้วเพวกคนไข้เนาะใหม่ๆเข้าโรงพยาบาลใหม่ๆโอ้อยากหายเร็วๆไม่อยากตายเราอยากหายเร็วๆเราเจ็บทรมานนานโอ้ยเมื่อไหร่จะตายสักทีเ <c oughs> <c oughs> พื่อนายเนี่ยควาว่ายิจาร์เนี่ยนะคือ พี่นาไม่ได้แต่ว่าคิดเอาแต่เบื้องต้นโอ้ดิสอนทาไมเอาของอิงมาจันให้มันดูมันแก่ก็แก่จริงๆนี่มันเจ็บมันก็เจ็บจริงๆนี่ไม่ต้องนั่งสอนนั่งหยู่สบายร่างกายนี้ไม่เชื่อนั่งสบายเดี๋ยวก็เจ็บป่วยไม่ใช่ไม่ใช่ของเราายนี้ไม่แต่มันไม่เชื่อเรไม่เชื่อหรลองดูแล้วมันก็ไม่เชื่อไเชื่อกร มันต้องดูจริงๆเลยนะอยากรู้ว่ากลายเป็นทุกข์ไหมนั่งให้สบายนะ่นิ่งนั่่งให้สบายนะั่งสบายก็ดีเลยปเดี๋ยววันหนึ่งก็ไม่สบายแนละ่ะคุณความทุกนะข์นั้นคล้ายๆหมาล่าเนื้อนะวิ่งตามตามเราทันเราทีกัดเราทิงถึงวันหนึ่งตามทันยิงกินกัดจนล้มลงไปตายดังนันความทุกข์นี่ยไล่หลังตลอด ก็เหมือนกันเดี๋ยวว่ากระทบอารมณ์ที่ดีก็ฟูจะกระทบอารมณ์ที่ร้ายก็แป๊บพอฟูกฟบับแป๊บฟูกฟบับแป๊บจะตอบไปมากๆเข้านะจะรู้เลยฟูก็ทุบแป๊บลงไปก็ทุบฟูก็ทุบแป๊บก็ทุบกลางๆนี้ไม่ทุบแน่ยึดกลางไว้ยึดกลางไว้วันหนึ่งจะเห็นอย่างที่ล่าสกีย้ธรรมชาติรู้ที่ว่าดีวิเศษมีห้าการเป็นตัวทุบอีกตัว จิตนี้เป็นตัวทุกข์แค่ไปเห็นทุกขอริยสัจตัวสุดท้ายสาสมาธิจำเป็นจเป็นเนี่ยทิ้งไม่ได้หรอกแต่ว่าต้องรู้นะว่าเราทำเพื่ออะไรเนี่ยสมาธิเราทำเพื่อพักผ่อนเนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องนะก็หันก็หาที่พักผ่อนพักให้สบาย พอมันแช่มชื่นใจก็ออกมารู้ใหม่ทาสมาธิไม่เป็นจะทำยังไงดีก็พักผ่อนด้วยวิธีอื่นๆนะนอนหลับก็นี่ปหนึ่งตื่นขึ้นมา 5, สดชื่นดูต่อได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่านอนหลับมันกินเวลายาวนั่งสมาธิจิตรวมปุขึ้นมาแล้วนนาทีสองนาทีทำงานต่อได้ละ ไม่ใช่ว่าอาจาบอกให้เจริญสติแล้วกลายเป็นว่าไม่ให้ทำสมาธินะเราก็จะ้เจ้าสอนให้ทำสมาธและวิปัสสนาตนะาวกจะไปสอนเลยทำวิปัสสนาไม่ทำสมาธิไม่ได้แล้นะวตาวกจะไปสอนทาสม า, าไม่ต้องทำวิปัสสนาหรอกวันหนึ่งปัญญาจะเกิดเองไม่ก็เพี้ยนอยีกเนี่ยคนละเรื่องเนี่ย ช่วงนี้มันรู้สึกว่าแค า, ง, า, ง, างเมันจะเพ่งบ่อยตีไม่ต้องตกใจรู้ไหมเมื่อก่อนอะเพ่งอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเพ่งเราคิดว่ากําลังปฏิบัติการที่ติแล้วรู้ทันตามว่าเป็นจริงอันนั้นดีๆแต่ว่าแล้วตีจะแก้อย่างไงติไม่แก้ถ้าติอยากแก้รู้ว่าอยากแก้ก เ, เ, เคยรู้สึกว่า ความที่รู้เมื่อจะไหลาเกินก่อนมันไม่ใช่มันไม่ใช่รู้อย่างนี้มันก็ ย, ยังรู้อยู่แต่ทำไมช่วงนี้มันถึงถนะึงกับเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าเราตลอดเวลาจริงๆแล้วถ้าเราเผลอๆไปนะที่สนใจมันมันก็หายไปแต่ถ้าพอเราเจริญสตินะจะเห็น่มีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยความทุกข์เกิดตลอดเวลาเลย จะทำแล้วเราจะทํำยังไงเราจะดับทุกตัวนี้ได้ยังไงไม่ดับหรอกความทุกตัวนี้เราสร้างขึ้นเองนะสร้างขึ้นจากอะไรสีลุกเปล่าปัญหาอะไรที่ทําให้เกิดทุกตัวนี้อยากปฏิบัติคิดถึงการปฏิบัติจ้องจ้องจ้องจ้องขุ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นขนาดมากมากแลนะ้ก็ปลอบใจถึงเราต้องร่วมทุกข์ด้วยความเพียรนิ่จ้องหนักกว่าเก่า พอวันหนึ่งเสอลืมจ้องอหายไปโอ้วันนี้ปฏิบัติดี <c oughs> พอจ้องเอาเกิอดอีกแล้ววันนี้ปฏิบัติไม่ดีเพียงสิ่งทั้งหลายเกิอดอย่เหตุหมดเหตุก็ดับเราไม่เข้าแทรกแซงติดสังเกตตัวสมูทยให้เหรอตัวนี้อักขึ้นมาเนี่ยอยากปฏิบัติยันไะ ช่วงนี้มันอยู่แบบรู้ได้ฉี่ขึ้นนะฮะแต่พอรู้จะรู้วอย่างงี้นะฮรู้แบบมันแังแข็งไปนะมันยังไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าหลวงพ่อชาบอกว่าตึนไว้ก่อนดีกว่าถ้าเริ่มให้อากาให้พอดีมันจะหย่อนลงไปนิดนึง<ข>แต่ว่าพอตึงรู้ว่าตึงนะอุอดอัดลำคานรู้ว่าลำคานเนียเริ่มไม่เป็นกลางแล้ว อยากแก้ก็ไม่เป็นกลางอยากแก้ด้ว่าอยากแก้รู้ทันรู้ทันรู้ทันตัวเองไปเลยเอะนี่คืออะไรนี่คืออารมณ์ชนิดหนึ่งที่จิดไปรู้เข้าเท่านั้นเองพอรู้แล้วก็เกิดปฏิกิริยาเกิดความยินร้าย ม, มันมีความรู้สึกบางอี ม, มันก็เบาบางทีมันก็อัอย่างเงี้ยแค่ตั้งเฉๆก็มันนั่นมันหนักเงียความโจงใจเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วจะแก้อย่างไงยิ่งแก้ยิ่งทุกข์ยิ่งอยากแก้ยิ่งทุกข์ปล่อยวางต่างหากละถึงถจะหลุดไม่ใช่เพราะว่าแก้สําเร็จ น, นะแต่ว่าเขาปล่อยสำเร็จ เมื่อก่อนภาวนาใหม่ๆคิดว่าโอ้มีความทุกข์จะแก้ยังไงให้สําเร็จพอรู้ทันว่าโอ้มันเกิดจากความอยากของเราเนี่เราอยากตะกีบด้วยทุกข์ขึ้นมาพอรู้ทันความอยากรู้ทำยังไงจะดับความอยากนะทําไงจะไม่อยากเนี่ยอาไปนู่นอีกล้ะก็ใหญ่อีกละล่ะรู้ทันไปเรื่อยรู้ทันไปเรื่อยในที่สุดตีจะเห็นความจริง หรือว่ายึดเราทุกยึดรทุกยึดราทุกนีธทรมมาล้วนๆเนี่ยแล้วตัวนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็เบาบางวันหายไปบางวานันเบาเบาบางวันหนักๆนกนี่แสดงไตรลักษณ์นะพอรู้ไปแค่นี้ก็ยังได้เลยหรือเปลาหลวงพ่อทำก็ดูแค่นี้เห็นอย่างนี้ พอเห็นแล้วบางทีถลามลงไปใช่ไหมบางทีถลามลงไปบางทีหนีไปที่อื่นหนีไปที่เรื่ออื่นตอนนี้ไม่คิดตรงนี้ก็เหมือนไม่มีพอหันมาดูก็สร้างขึ้นใหม่แล้วก็ไปสำคัญไว้ตัวเก่าอย่างยู่จริงปรุงขึ้นมาอีกเก่งเจ็ดหนึ่งนะโอ้ยทำไมมันทุกข์ล้วนๆครูบาอาจารย์ วัดป่าทัานหนึ่งสอนนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตัดไปแล้วทุกข์ล้วนๆเลยนะคำว่าสุขสุขเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในทางศาสนาพุทธนะท่านถือว่าเกิดจากสัญญาวิปลาสคือความสําคัญผิดเกิดจากทิฏฐิวิปลาสเกิดจากความเห็นผิดคําว่าสุขเนี่ยนะมันเกิดจากตอนที่ทุกข์น้อยลง พอทุกนายลงรู้สึกสุขพอทุกเย็นก็รู้สึกสุขเพราะงั้นจริงๆมันก็เหมือนความร้อนนะความร้อนความร้อนมีอยู่แต่ความเย็นไม่มีอยู่ความเย็นคือความมันร้อนน้อยลงหรอกเพราะว่ามันเย็นน้ําแข็งมีอุณหภูมิไหมก็มีความ<อ>หนักกับความเบาเนะี่ย เบามันก็คือน้ำหนักเป็นติดลบเนี่ยสิ่งที่เป็นคู่ฟู่ทั้งหลายเนี่ยถดูให้ดีนะส่วนมากที่เป็นภาพดวงตาเมื่อมันเป็นภาพดวงตาเรามีหน้าที่รู้ทันมันไม่ใช่พับขึ้นไปอย่างนี้ดีใจลงอย่างนี้เสียใจชีวิต น, นี้จะต้องเต็มไปด้วยความดีใจและเสียใจไปเรื่อยๆ แต่๋ยถ้ารู้ว่าธรรมดาเออมันธรรมดาก็เป็นกลางเป็นกลางคันเนี้ก็ปฏิบัติก็จะรักษาหัวงแหนควาเป็นกลางนะชอบที่สุดเลยแต่ว่าอย่าไปทำลายมันนะอย่ารีบล้งบางคนพยายามไปทำลายตรง น, นี้ที่ทำลายผู้รู้ มันไม่ได้ทำลายผูร้รู้ทำลายผู้รู้จิตต้องวางของมันเองเข้าไปเห็นใจรักไม่ใช่นึกอยากจะทำลายก็เป็นทุกข์เหมือนพิ้งเสร็จแล้วเลยเพี้ยนเลยตติแตกเพราะนในทางศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีว่าไปทำลายอะไรหรอกรู้ทันระวาง เราที่เราวางนี่คือสว่างเองกินข้าวบ้างเองกินข้าเบื่อเขาก็เบื่อเขาเองเบื่อนี่ไม่ได้เหมือนเรากินข้าวซ้ำๆแล้วเราเบื่อเนะมันเบื่อในความไม่มีแก่นสารสาระความสุขก็น่าเบื่อมันไม่เที่ยงความทุกขก็น่าเบื่อมันเสียดแทงคือไม่ใช่เบื่อแต่ความทุกข์นะความสุขไม่เบื่ออย่างนั้นยังไม่ใช่เบื่ออย่าศาสนาพูดหรอก เบื่ อ, อยต่ตาตระนาบพูดในเห็นสังขารทั้งหมดเลยน่าเบื่อสุก็น่าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงมันเบื่อของมันเองเพราะมันมีปัญญาเบื่อนายคลายความยึดถือต้องคลายของเขาเองหลุดค้นก็หลุดรู้ว่าพ้นของเขาเองอย่าไปช่วยเขานะหน้าที่ของเรารู้ตามที่กำลนงเป็นหน้าที่มีข้อเดียวรู้ตามความเป็นจริง